ก็ความในอิติวุตกะต่อนะครับปฐมเวทนาสูตรในข้อ230้อยสามสิบนสูตรนี้เน้นเวทนานุปัสนาสติปทานนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเรียนสติปทานสูตรนะโดยเฉพาะเวทนาสติปฐานต้องผ่านสูตรนี้แล้วก็ผ่านอัตถกถาของสูตรนี้ก่อนนะครับจึงจะได้อัตรตนะครับ จึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผ้าอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนาสามประการนี้สามประการเป็นฉไหนคือสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนาสามประการนี่แหลพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ภิกษุหายหิวแล้วดับรอบเพราะความสิ้นใจแห่งเวทนาทั้งหลายนะสูตรนี้สงเคราะห์เวทนาแบบแนวอริยสัจนะครับคือเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธและเวทนานิโรธคามินีปฏิปทานะครับเพราะว่าเป็นเอกเทศนะแสดงโดยเอกเทศนะครับคือบางส่วนนะในขันหยกมาเฉพาะเวทนาขัน ถ้าพูดขันห้ารวมๆใช้คําว่าทุกทุกขสมุทัยทุกอนิโรธทุกานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้แยกมาเฉพาะส่วนนะครับยกมาคือเน้นที่เวทนาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสังเกตนะครับผู้มีจิตตั้งมั่นอันนี้สัมมาสมาธิรู้ทั่วนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็มีสตินะครับ ก็คือมีอารยมรรคนั่นเองนะครับมีข้อปฏิบัติซึ่งทำปริญญา3ามในเวทนานะครับแล้วก็ละเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดธรรมะเป็นที่ดับแห่งเวทนาได้แก่ปนิพานนะนะแะม้กระทั่งอารยมรรคนะครับก็จะหายหิวนะครับบทว่าเวทนาความว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายชื่อว่าเวทนาเพราะรู้คือเสเวยรสแห่งอารมณ์ เพื่อจะทรงแสดงเวทนาเหล่านั้นโดยจําแนกออกไปจึงตรัสคําเมียที่ว่าสุขาเวทนาดังนี้เวทนานี้โดยศัพท์แปลว่าสเสวยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะแยกออกมาให้เห็นก็คือแยกให้เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นแบ่งออกเป็นสมอย่างบรรดาศัพท์เหล่านั้นสุขาสับข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหุนหลังด้วยสา ม, มาถแห่งอัตถุธารกันแต่เอาทุกขสับนะครับทุกขสั์สุขศัพท์นี่เคยสุขาสับเนี่ยนะครับกล่าวถึงอัดแล้วนะใน อยากลัวต่อบุญเลยพระบุญเป็นชื่อแห่งความสุขนะตรงนั้นขยายคําว่าสุขไว้เยอะแล้วนะครับทีนี้ก็มาเลยขยายที่ทุกขสั์นะว่าทุกขสั์นี้มาในเรื่องของทุกข์นะครับว่าอัถฐของของทุกขเนี่ยนะครับอัถฐของทุกขสั์นี้บางทีก็หมายถึงเรื่องของสุดทุกนะเช่นประโยคเมียที่ว่าชาติพิทุกขานะชราพิทุกขามรณามพิทุกขังโสกับปริเทวะทุกโทมานัสสุปายาสาพิทุกขาเนี่ยนะครับ ความเกิดก็เป็นทุกข์อันนี้เรื่องของทุกข์จริงๆเลยนะครับเกิดก็เป็นทุกข์แกก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์กายก็เป็นทุกข์ความคลั่แค้นใจก็เป็นทุกข์ร้องให้คําควรเป็นต้นพวกนี้ทุกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขามาทุกขพท์มาในเรื่องของทุกข์นะครับเน้นเอาพูดเป็นเรื่องๆเลยนะครับบางทีทุกขศก็มาในอารมณ์ที่เป็นทุกข์เช่นในประโยคเมียที่ว่ายะสมาจะโขมหาลิรูปังทุกขังทุกขานุปติัง ทุกขาวักันตังดูก่อนมหาลีเพราะเหตุที่รูปเป็นทุกถูกทุกติดตามและยังลงสู่ทุกนี่หมายถึงอารมณ์ที่เป็นทุกนะครับคือรูปเป็นต้นเนี่ยก็เป็นทุกนะครับบางทีก็มาในความหมายว่าการสะสมทุกนะครับสะสมทุกนะใช้ทุกขศัพท์แต่เป็นชื่อของการสะสมทุกเช่นประโยว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยการสะสมบาปเป็นทุกหรือบางทีก็มาในฐานะเป็นเหตุแห่งทุกดังในประโยว่า ยาวันจิตังพิกเวนะสุกรังอัคาเนนะป่าปุนิตุงยาวะทุกขานิรยาเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งทุกขในนรกไม่ใช่ทําำง่ายนะครับที่อุปมาว่านรกนะทุกในนรกที่กล่าวอุปมาอย่างไรครับอุปมาว่าเหมือนกับนักโทษคนหนึ่งถูกพระราชาถูกสั่งลงโทษทิมเช้าร้อยครั้งเที่ยงร้อยครั้งเย็นร้อยครั้งเนี่ยนะทุกอันนี้เท่ากับแผ่นหินในฝ่ามือทุกในนรกเท่ากับ ภูเขาหิมพ า, าน่าแบนั้นมันยังใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแท้จะมาพูดให้เห็นในนรกเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายานั้นนะนนที่ที่ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคในมหาทุ ก, กขคันธสูตรที่กล่าวถึงความทุกข์ในนรกว่ามันทุกข์แค่ไหนแบบนั้นเนี่ยก็อุปมาว่าเออทุกข์ของคนที่ถูกห อ, อกทิ่มวันละสา0ร้ครั้งเนี่ย น, นะเช้ากลางวันเย็นเนี่ย รอบละร้อยครั้งร้อยครั้งเนี่ยนะทุกอันนี้เท่ากับแผ่นหินในฝ่ามือส่วนทุกในนรกเท่ากับขุนเขาสิเนรุหรือขุนเขาหิมพานนะครับทีนี้ต่อไปว่ามาแล้วในทุกขเวทนานะครับทุกขศัพทุกขเวทนานะเช่นทุกขสัจปหานาทุกขสัจปหานาเพราะละสุขและทุกเสียได้อันนี้หมายถึงจตุทัชฌานะครับละทุกขเวททุกขเวทนาสุขเวทนาหมดเลยแม้ในพระสูตรนี้ก็มาแล้วในทุกขเวทนานะครับ แต่โดยอัตภพชื่อว่าสุขเพราะยังผู้เสวยให้สบายชื่อว่าทุกเพราะยังผู้เสวยให้ลำบากเวทนาชื่อว่าอทุกขมสุขเพราะไม่ทุกไม่สุขนะครับบรรดาเวทนาทั้งสามเหล่านั้นเวทนาที่มีการเสวยอิทธารมเป็นลักษณะชื่อว่าสุขเวทนาคือเน้นที่อารมณ์นะนะไออารมณ์ที่ดีๆนี่นะครับเชื่อว่าเวทนาที่เสวยของดีเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนา ที่มีการเสวย อ, อ น, นิธารมณ์เป็นลักษณะคือเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้รับของไม่ดีเนี่ยนะครับชื่อว่าทุกขเวทนาที่มีการเสวย อ, อารมณ์ที่ผิดแผกจากทั้งสองอย่างนั้นเชื่อว่าอาทุกขม ส, สุ ข, ขเวทนาหมายคำ ว, ว่าปานกลางอะนะไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับชั่วนะก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาความเฉยเฉยนะครับคือเวทนากับอารมณ์ที่เสวยเนี่ยคนละอันกันนะครับแยกนะ คือสมมุติว่าเช่นสีอย่างหนึ่งเป็นสีที่งอมมากเหมือนกันคับสีอย่างหนึ่งเป็นสีที่เลวมากเช่นสีของขยะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับขยะของสกรปรกโสมมเนี่ยนะกับภาพที่ ง, งามๆนะภาพที่ ง, งามๆเนี่ยคืออะไรครับนั่นแหละไปเรียกว่าอิทธารมไอภาพที่น่าเกลียดหน้าชิงชังหน้าขยะขยงที่ว่าไปนี่อันนี้เป็นอนิถารลมไอระหว่างกลางๆอันนี้เรียกว่าอุเบขานะครับอันนั้นเรียกว่ามัชตารม สมมติถ้าได้รับภาพที่ดีๆเวทนาที่เสวยถือว่าเป็นสุขเวทนาได้รับภาพที่ไม่ดีสีที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงอันนั้นเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ภาพธรรมดาปานกลางทั่ ว, ว, วไปนี้ก็เป็นอุเบขาเวทนานะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงปรากฏชัดแต่อุทุกขมสุขเวทนาไม่ปรากฏชัด นะครับ เ, ออเวทนาสองอย่างนี่นะครับคือสุขกระทุกเนี่ยชัดเจนแต่ว่าอุเบกขานี่ไม่ค่อยชัดด้วยว่าในเวลาใดความสุขเกิดขึ้นในเวลานั้นความสุขจะทำสรีระทั้งสิ้นให้สทานเคล้าคลึงแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนให้บริโภคเนยสาสที่หุงแล้วร้อยครั้งเหมือนทาด้วยน้ำมันงาที่เคี่ยวตั้งร้อยครั้งและเหมือนให้ความาร้อนดับไปด้วยน้ ำ, นนำผ่านหม้อเกิดขึ้น เหมือนจะเปล่งวาจาออกมาโอ้สุขจริงโอ้สุขจริงว่าไงนรับเนี่ยเห็นชัดนะนะมีความสุขเหลือเกินหัวเราะร่าเริงสุขขนาดนั้นเน่ยแต่ถ้าเมื่อทุกเกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นทุกจะทําให้สิริระทั้งสิ้นสถานเคล้าคลึงแผ่ซ่านตลอดร่างเหมือนสอดกับเบื้องร้อนๆเข้าไปเหมือนเอาน้ําทองแดงละ ล, ะ ล, ะและลายแล้วราดเกิดขึ้นเหมือนให้บ่นเพราะว่าโอ้ทุกจริงทุกจริงดังนี้ดังนี้ดันั้นความเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงปรากฏชัด อันนี้ชัดเจนเลยนะสุขกับทุกเนี่ยเห็นชัดนะนะคนหัวเราะกับคนร้องไห้เนี่ยมันชัดเหมือนกันเถอะแต่ถ้าคนเฉยเฉยเนี่ยไม่ค่อยชัดดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงชัดส่วนอทุคขมสุขเวทนารู้ได้ยากชี้ให้เห็นได้ยากมืดมนอทุคขมสุขเวทนานั้นเป็นเวทนามีอารมณ์เป็นกลางๆโดยขัดกับอารมณ์ที่น่ายินดีและยินร้าย ในเวลาที่สุขและทุกข์ปราดไปย่อมปรากฏชัดแก่ผู้ถือเอาโดยในยะนี้เท่านั้นนะครับคือคือให้เว้นจากสองสิ่งซะเว้นจากสุขและทุกข์อันนั้นแหละเรียกว่าเวขาทีนี้ก็วิธีอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนทางที่เนื้อผ่านไปแล้วบนแผ่นหินโดยเป็นทางที่เฉียดเข้าไปในภูมิประเทศที่มีฝุน่นนะครับหมายความว่าเนื้อเนี่ยนะครับมันเดินเดินข้ามหินไปนะ อีกข้างหนึ่งก็เป็นเป็นโคลนตมเนี่ยนะฝั่งโน้นก็เป็นโคลนหรือว่าที่มีรอยปรากฏเหมนันนะเขาบอกว่าภูมิประเทศที่มีฝุ่นโดยตอนต้ น, ต น, ตนทางและปลายทางฉันใดาภาวะแห่งการเสวยอารมณ์ที่เป็นกลางก็ฉะนั้นเหมือนการจะรู้ได้ด้วยการเสวยสุขและทุกในอิทธารมและอนิธารมการยึดถือเอามัชฌิตรณ์เป็นเหมือนการเดินไปบนแผ่นหินของเนื้อเพราะไม่มีการยึด อิธารมและอนิทธารมการสเสวยมัชตารมนั้นก็คืออทุกขมะมสุขเวทนานั่นแหละด้วยประการชนีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้อุเบคาเนี่ยนะรู้จักสุขรู้จักทุกไอระหว่างนั้นแหละเรียกว่าอุเบคาเวทนานะครับนะถ้าพูดในย่านหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นคนที่เราชอบใจเนี่ยนะจะดีใจใช่ไหมครับอันนั้นแหละเรียกว่าสุขเวทนาเห็นคนที่เราเกลียดนั่นแหละลักษณะของทุกขเวทนาหรือคนทั่วๆไปนี่เป็น ลักษณะของอุเบกขาเวทนานะครับก็อากาศ น, นะครับก็มานึกถึงไอโนะง้โลภาพมูลจิตแปดแปดดวงโลภาพมูลจิตแปดโลภาพเป็นสภาพจิตที่ยินดีในอารมณ์แต่ว่าสีดวงแรกเนี่ยเป็นความยินดีในอารมณ์นี้ก็เรียกว่าชัดเจนใ่ไไอ้สี่ดวงข้างล่างเนี่ยนี่ก็เป็นคงจะเป็นลักษณะที่ไม่ชัดเจนจึงได้เป็นอุเบกขา ครับก็ไม่ถึงก็ชัดเจนแต่ก็ยังเป็นอิทธารมณ์อยู่นั่นแหละครับยกตัวอย่างนะโลภะที่ชัดเจนเนี่ยนะครับกับโลภะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนอาหารอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับอันนะัโลภะแบบโสมนัสเนี่ยคืออาหารที่เราหมายมั่นปั้นใจว่าไม่อันนี้เนี่ยถูกใจเหลือเกินเนี่ยนะครับอาหารที่เหลือก็ไม่ขัดตาเลยกินได้นะครับพอกินได้แต่ก็เฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ตำหนิอะไรหรอกพอกินได้ แต่ก็โลผ้ไอโลภ้าแบบอาหารที่พอกินได้เรียกว่าอุเบขาไอนะไอโลภ้าแบบชนิดที่ว่าหมายมันพิเศษนะงั้นแต่อันนั้นแหละลักษณะของโสมนัสนะครับที่เกิดร่วมกับโสมนัสนะครับแต่ก็โลภ้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าโทสะเนี่ยนะาหารเห็นแล้วมันจะอาเจียนให้ได้นะอาหารกินไม่ลงกลืนไม่ลงไม่ชอบเลยเนี่ยลักษณะนั้นแหละโทสะนะครับคือลักษณะของทุกข์ะนะ คือถ้าจะเห็นอีกานหนึ่งนะเขาบอกว่าอาหารบูดอ่ะเป็นอารมณ์ของทุกขเวทนาว่างั้นเถอะอาหารที่กําลังถูกใจกําลังดีๆเลยเนี่ยนะอันนั้นเป็นอารมณ์ของสุขเวทนาถ้าไอ้ปานกลางเนี่ยนะจืดชืดว่างั้นเถอะไอ้ระหว่างระหว่างที่จะเสียแล้วก็ระหว่างจะว่าดีก็ไม่ใช่เสียก็ไม่ใช่ไอ้ระหว่างนั้นแหลเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะครับด้วยประการดังกล่าวมานี้ในพระสูตรนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเวทนาไว้สามอย่างโดยเป็นสุข ทุกและอะทุกขามาสุขเวทนาก็จริงแต่ในที่บางแห่งนะครับบางสูตรนี้พระองค์ตรัสเว้ธนาไว้สองอย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนอนอน์เรรมาทิฏฐกล่าวเวทนาไว้สองอย่างโดยปริยายคือสุขและทุกขเวทนาดังนี้คือเพราะอะไรครับเพราะสงเคราะห์อุเบกขาเข้ากับสุขเวทนานั่นแหละแม้ในที่บางแห่งก็ตรัสไว้สอย่าง โดยแยกเป็นสุขส่วนหนึง่งทุกส่วนหนึง่งอะทุกขะมะสุขส่วนหนึ่งนะครับคือแบ่งเป็นเวทนา3นะคือจําแนกว่าสุขเวทนาเป็นสุขในถิติขณะหมายว่าในขณะที่ตั้งอยู่นี่สุขแต่เป็นวิปริณามทุกข์นะครับคือเป็นทุกเมื่อกลายเป็นทุกนะครับคือหมายเมื่อมันแปรไปก็เรียกว่าเป็นทุกขนะครับทุกเวทนานี้เป็นทุกในถิติขณะแต่เป็นวิปริณามสุขนะครับ คือหมายคําว่าทุกขเวทนานะขณะที่มันเกิดนี่มันทุกขมากนะครับแต่ถ้ามันหายไปนะมันแปลเนี่ยสุขละส่วนอุเบขาเวทนาเป็นญาณสุขนะครับหมายคําว่าถ้ามีความรู้ในเวทนานั้นเนี่ยเป็นญาณสุขถ้าไม่รู้เป็นอะาณทุกข์นะครับในที่บางแห่งตรัสเวทนาแม้ทั้งหมดโดยความเป็นทุกขนะครับบางสูตร่นะเช่น อย่างที่ทูองตรัสไปว่าการสเสวย อ, อารมณ์คือเสวยเวทนาทุกๆอย่างเราจะถาคดกล่าวว่ารวมอยู่ในทุกนั่นแหละอันนี้ก็ดูในเวทนาสังยุตนะครับสังยุตานิกายนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องคํากล่าวทักท้วงนะครับก็มีว่าในข้อนั้นเพิ่งมีคําท้วงว่าถ้าว่าในสูตรอื่นๆคล้ายอย่างนี้และในพระอภิธรรมพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ตรัสเทศนาทั้งสามไว้แล้วซ้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไฉนจริงตรัสไว้อย่างนี้ว่า การเสวยอารมณ์คือเสวยเวทนาทุกอย่างตถาคตกล่าวว่าเป็นทุกข์และว่าดูก่อนอนนนและเวทนาสองอย่างเราตถาคตกล่าวไว้โดยอ้อมดังนี้ตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยทรงหมายเอาคำทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นเทศนานั้นจัดเป็นเทศนาโดยอ้อมนะครับคือคือเว ท, เทนาโดยอ้อมเนี่ยเพราะว่าสงเคราะห์ลงเป็นทุกข์ไปหมดเนี่ยนะ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอนอนุความแปรปรวนของสังขารเราตถาคตกล่าวหมายถึงความไม่เที่ยงของสังขารความเสเวย อ, อารมณ์ทุกอย่างคือเวทนาทุกอย่างเราตถาคตกล่าวว่าเป็นทุกขและว่า อ, น, อนุนเวทนาทั้งสองอย่างเราตถาคตกล่าวไว้โดยอ้อมคือโดยปริยาย เพราะว่าในบรรดาเวทนาทั้งสามเหล่านี้ความที่เวทนาทั้งสองอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาและอุทุคขมสุขเวทนาเป็นทุกโดยตรงไม่มีนะครับไม่มีหรอกครับสุขเวทนากับอุเบขาเวทนาเนี่ยเป็นทุกตรงตรงไม่มีแต่พระองค์ตรัสว่านะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นทุกโดยปริยายทุกโดยอ้อมนะเพื่อจะทรงแสดงแก่ผู้ไม่มีฉันทะในเวทนาทั้งสองอย่างนั้น คือก็ไม่ได้ติดใจในพวกเวทนาอะไรเหล่านั้นมากก็จะแสดงแค่คร่าวๆนะครับแต่ถ้าผู้ใดยึดติดในเวทนามากนะพระองค์จะแจกเรื่องเวทนาให้ละเอียดเลยแต่ถ้าผู้ยึดติดในเวทนาไม่มากนะก็แสดงไม่ละเอียดนะครับตามอัธยาสัยของเวนัยสัตว์นะครับเอางี้นะถ้าใครติดในรูปมากพระองค์แจกรูปพิสดารถ้าใครติดในเวทนามากจำแนกเวทนาพิสดารใครติดในจิตมากจำแนกเรื่องจิตอย่างพิสดารใครที่ ยึดในธรรมะมากผงจะแยกธรรมะอย่างพิสดาร น, นะครับเอาตามแต่สุดแท้แต่ว่ามันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดติดในอะไรมากคล้องในอะไรมากอันนี้หมายถึงสัตว์ที่มีอุปนิสัยนะครับไม่มีอุปนิสัยถึงจะติดอะไรมากก็ไม่แสดงนะครับเพราะไม่มีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเทศนาแบบนั้นจึงจัดเป็นเทศนาโดยอ้อมส่วนเทศนาว่าด้วยเวทนา3นี้เป็นเทศนาแบบตรงๆง เพราะมีกล่าวที่บายว่ากล่าวตามสภาวะนะครับสภาวะที่เป็นทุกข์ก็อย่างหนึง่งเป็นสุขก็อย่างหนึง่งและเป็นอาทุกข์ขมสุขก็อย่างหนึ่งนะครับส่วนการปรับวาทะนะครับของปรัปปวาตต่างๆจะไม่อ่านนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นสำนวนนะครับที่ของคนสมัยนี้ไม่ได้มาคิดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่กล่าวเวทนาเหล่านี้นะครับ ที่มีลักษณะถูกกําหนดสภาวะที่ขัดแย้งกันดังพรนานามาชนนี่แหละคือสุขทุกเนี่ยมันขัดแย้งกันชัดเจนเนี่ยนะระหว่างสุขกับทุกนั่นแหละเป็นเวขานะครับก็แหละเวทนาทั้ง3นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้แก่พระโยคาวจรทั้งหลายผู้ประกอบการบําเพ็ญวิปัสนาโดยแนวทางมุกมุกนี่คือแนวทางนั่นเองคือเวทนาคือขับเน้นไปที่เวทนานะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ากรรมฐานนี่มี2อย่างนะครับสายวิปัสสนานี่นะกรรมฐานมี2อย่างสายวิปัสนานะย่อแล้วมี2อย่างคือรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคือถ้าสายสมถะนะวิปัสสมถะสี่ใช่ไหมทีนี้ถ้าสายวิปัสนาเนี่ยนะครับมี2อย่างคือรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานในกรรมฐานทั้งสองอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสรูปกรรมฐาน ตราไว้ด้วยสามารถแห่งมนสิการโดยสังเขปคือโดยย่อบ้างด้วยมนุิการด้วยการมนสิการโดยพิสดารบ้างด้วยสามารถแห่งการกำหนดธาตุเป็นต้นอย่างนั้นบ้างนะสังเกตดูนะวิธีแสดงรูปรูปกรรมฐานเนี่ยคือแสดงรูปประขั น, นะบางอย่างก็แสดงแบบย่อจริงจริงบางอย่างก็พยายาิสดารมากบางอย่างก็แบบธาตุนะนะบางอย่างก็แสดงรูปรูปกรรมฐานแบบธาต แต่เมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐานคือตรัสนามนะครับนามคืออรูปกรรมฐานเนี่ยนะก็จะตรัส ด, ด้วยสา ม, มารถแห่งภาษะบ้างบางทีเอาภาษะเป็นตัวเด่นนะครับบางทีก็ด้วยสา ม, มารถแห่งเวทนาบ้างบางทีก็ด้วยสา ม, มารถแห่งจิตหรือวิญญาณบ้าง <c oughs> สแสดงว่านามธรรมสามอย่างนี้ชัดเจนกว่าเพื่อนนะครับคือภาษะเวทนาและจิตเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในภาษาปัญจกะนะครับธรรมะมีภาษาเนี่ยครับ ธรรมะหมีภาษาเป็นต้นเนี่ยนะครับคือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตนะครับธรรมะกลุ่ม5้าแรกในนามขันเรียกว่าภาษาปัญจกะต้องยกขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าพโยคาวจรบางรูปเมื่อระลึกถึงอารมณ์ที่มาสู่คลองนะครับเอาคนที่ภาษาชัดก่อนนะภาษามีจิตและเจตสิกตกไปครั้งแรกในอารมณ์นั้นถูกต้องอารมณ์นั้นอยู่ก็จะปรากฏชัดสําหรับพโยคาวจรบางรูป นะครับบางรูปเนี่ยนะพอเห็นปั๊บเนี่ยนะครับเห็นภาษาชัดเจนเลยนะคล้ายๆกับพูดถึงคนที่ที่อาจจะคิดในลักษณะว่าเหมือนกับโคลแม่โ ค, โ ค, โคถูกถลกหนังเนี่ย น, นะรับอารมณ์แต่ละอารมณ์พับเนี่ยชัดเจนมากนะครับในการรับกระทบนะครับรับกระทบอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยบางอย่างเขาชัดในในภาษาอย่างนี้นะครับสําหรับพระโยคาวจรบางรูปเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นเกิดจะปรากฏชัดบางคนเนี่ยสุขทุก แล้วก็อุเบกขาเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งชัดมากเมื่อรับแต่ละอารมณ์นะครับแต่บางรูปสําหรับบางรูปวิญญาณที่รู้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นจะปรากฏชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอรูปกรรมฐานตามที่ปรากฏโดยอัธยาศัยของบุคคลนั้นนั้นไว้3อย่างโดยมีภาษะเป็นต้นนั่นแหละเป็นประธานแต่บางสูตรเนี่ยนะครับจะแสดงโดยลําดับพร้อมกันเลยนะเช่นใน ในสูตรที่เราคุ้นๆ น, นะโดยเฉพาะฉัฉกสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือในโลกานิโรธสูตรหรือในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นชัดทั้งวิญญาณทั้งภาษะและเวทนานะครับอย่างเช่นอาศาัยจักรคู่กับรูปเกิดจักรคู่วิญญาณความประชุมของธรรมะสมอย่างเนี่ยเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาภาษะและเวทนานี่แสดงเชื่อมกันเลยนะครับอันนี้เน้นอารูปกรรมฐานเนี่ยนะครับถ้าจะพิจารณ า, านาม นในบุคคล3ประเภทนั้นผัสสะจะปรากฏชัดแก่ผู้ใดแม้ผู้นั้นจะกําหนดอารมณ์อันมีผัสสะเป็นที่หนั่นแหละว่านะผัสสะเป็นที่ห้าทวนนะคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตนะครับห้าเนี่ยนะธรรมะมีผัสสะเป็นที่หนั่นแหละว่าไม่ใช่ผัสสะอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้น ถึงเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นนั่นแหละก็เกิดขึ้นพร้อมกับภาษานั้นนะครับถึงสัญญาที่จําอารมณ์นั้นอยู่ถึงเจตนาที่คิดถึงอารมณ์นั้นอยู่ถึงวิญญาณที่รู้ชัดซึ่งอารมณ์นั้นอยู่ก็จะเกิดพร้อมกับภษาษะนั้นนะครับคือถ้าภาษะชัดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารู้ภาษาอันเดียวตะพืชนะครับไม่ใช่จะต้องรแยกแยะนามธรทำที่เหลือได้ว่าเวทนาสัญญาเจตนาและจิตนะครับ เพราะฉะนั้นภาษาปัญจกะจึงชัดเจนมากนะครับคือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาและจิตเนี่ยจะต้องอย่างถึงนะครับขออภันครับเออก็ในเมื่อมันเกิดพร้อมกันนะฮะถ้าเราจะไปแยกมันยังไงมันเกิดพร้อมกันนะครับครับถ้าถามอย่างงี้นะครับผมจะถามคืนว่าท่านเคยฉันต้มยำไหมครับเคยเพราะฉะนั้นทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเป็นต้นเนี่ยนะดูเหมือนจะอยู่ในช้อนเดียวกันนะครับ แต่ทำไมรู้ได้ครับใช่ไหมเนื่องด้วยมานสิกาตนะครับถ้าปัญญาพิจารณาอันใดก็จะเห็นอันนั้นนะครับเหมือนกับอาหารที่เราชิมไปที่เรียกว่าต้มยำเนี่ยนะมีทั้งหลายรสนะครับในต้มยำเผ็ดก็มีเค็มก็มีเปรี้ยวก็มีนะครับแม้กระทั่งบางทีก็ยังมีรสอาหารด้านอื่นๆอีกเราก็ยังแยกได้ทําไมลิ้นจึงแยกได้ขนาดนั้นครับนี่ลิ้นนะมันยังแยกได้ขนาดนี้นะครับ แล้วปัญญาแหมจะไม่แยกอะไรออกเลยสักอย่างหรื อ, อยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาวินิจฉัยจริงๆก็จะแยกได้แยกแยะได้แต่อย่าลืมว่าผู้ที่จะเจริญพวกนี้ได้ดีเนี่ยนะครับที่จะมาแยกแยกสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิอันนี้ดีจิตตะวิสุทธิก็ดีนะครับคนพวกนี้จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะครับสามารถวิจัยได้นะครับเพราะว่ า, าภูมิหรือปัญญาที่พิจรารณาอันนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทานหรือทิฏฐิวิสุทธินะครับหรือสังขารปริเฉทาน เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับหนึ่งโดยการเรียนมาเนี่ชํนานาญโดยการฟังเป็นต้นนะครับและศีลและวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็ดีเพราะฉนั้นเขาจึงใไข้ครวญในสิ่งเหล่านี้ได้มากถ้าไข้ค ร, ครวญในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มากนะครับก็ยากที่จะเจริญวิปัสสนาชั้นสูงได้นะครับเพราะอันนี้เป็นบาดฐานนะครับแต่ถ้าเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยความเป็นหูสูตรกับโดยการบรําเพ็ญมาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ สำคัญที่สุดคือให้เป็นผู้หูสูดทรงจําคําสอนเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เจริญกุศลให้เกิดมากๆนะครับได้สปายะเป็นต้นพิจารณาผมเข้าใจว่าไม่น่าจะยากนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรนะครับไม่ได้เป็นของที่ลึกซึ้งอะไรเพราะไอ้ส่วนที่ลึกซึ้งจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยคือการแทงตลอดอริยสัจนะครับอย่างภาษะเวทนาเนี่ยใครก็มีอยู่แล้วนะครับ เนี่ยนะเช่นเวทนาเนี่ยมันจะไปยากอะไรไม่เคยสุขไม่เคยทุกข์หรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับเอาแบบจหยาบเลยนะเอาเจตนาไม่เคยจงใจหรือยังไงอันนั้นแหละตัวเจตนาละจิตไม่เคยรับรู้อะไรเลยใช่ไหมอันนั้นแหละจิตนะใหม่ๆ ม, มันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอาจจะรู้คนลักษณะไปนะครับสะสมอ่ะสถิติอันนี้ไปเรื่อยๆไปก่อนแต่ระยะยาวแล้วก็จะชํานาญขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดว่าอู้ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะ โอ้มันมันคุรเอันนะมันคุรเสภาวะแล้วจะรู้ได้เลยท่านลองอ่านหนังสือดูนะครับคําว่าวิญญาณนี่มีอักษรกี่ตัวทําไมท่านเห็นแล้วอ่านออกทันทีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะการชํานาญในการอ่านใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่านี้ถ้าชํานาญในการเพ่งแล้วจะไม่ยากอะไรเลย นะครับเช่นอย่างคนที่ชํานาญในการพิจารณานะอย่างที่ว่าเนี่ยอาศัยจากขูและรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะแล้วสัญญาเจตนาเป็นต้นก็เกิดร่วมกันอ น, นั้นแหละพราะถ้าชํานาญในการใคร่ครวนแบบนี้มากมาก ม, าก ม, ากมากเข้าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเหมือนกับเห็นผสมคำเนี่ยนะครับปรมาทิติปณีอัตถคถาคุตการนิการติวุติกาเห็นแล้วก็อ่านไปเพลิดไปเลยทําไมจึงอ่านได้ขนาดนั้น เพราะการสะสมเพราะการ พ, อพ่อปูนมาชั้นใดนะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้กล่าวถึงภาษานะครับภาษะที่เป็นประธานทีนี้พอมาถึงเวทนาบ้างว่าเวทนาปรากฏแก่ผู้ใดนะครับคือถ้าคนที่ชัดในเวทนาในชั้นแรกเนี่ยนะแม้ผู้นั้นจะ ก, กําหนดธรร ม, มะมีภาษะเป็นที่ห้าเหมือนกันว่าไม่ใช่เวทนาอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้น ถึงสัมผัสที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานั้นถึงสัญญาที่จำได้อยู่ถึงเจตนาที่นึกคิดอยู่ถึงวิญญาณที่รู้แจ้งอยู่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานั้นนะครับอันนี้นะสำหรับคนที่ชัดในเวทนาเป็นชั้นต้นเลยนะครับเช่นเท้าสกะเนี่ยนะชัดในเวทนาเป็นชั้นต้นหรือแสดงในเวทนาสังยุตเนี่ยนะครับวันนี้ก็เวทนาเนี่ยเด่นชัดนะครับ หรือแม้แต่นามาขันทั้งหลายเนี่ยนะบางคนก็เวทนาเนี่ยชัดเพราะว่าเวทนาสันเวทนาขันสัญญาขันเป็นต้นเนี่ยนะเวทนาขันเนี่ยโดยมากก็จะชัดนะครับอันบางคนที่ชัดเวทนาขันก่อนแต่ไม่ใช่จะไม่รู้ภาษานะไม่ใช่จะไม่รู้สัญญาไม่รู้เจตนาและวิญญาณยังไงก็ต้องรู้นะครับนะถ้าพิจารณาตามคําสอนนะอย่าลืมว่าการเจริญวิปัสสนาของพราหาวกทั้งหลายเนื่องด้วยสุตตานะครับเนื่องด้วยสุตะนะครับนะ เพราะว่าไอ้คิดค้นหาเอาเองเนี่ยไม่มีทางหรอกครับต้องเนื่องด้วยสุตตะค่อยๆไขครควนนะครับอาศัยความเป็นพู้หูสูตเนี่ยนะครับเข้าช่วยในการเจริญในการพิจารณานะครับพอับครับอันนี้ในเวทนาที่มีภาษาเป็นที่ห้าเลยนี่เวลาที่เราจะรู้ก็รู้ทีละอย่างใช่ไหมครับถ้าออว่าขณะนั้นเนี่ยเรารู้เวทนาสัญญาเราก็ไม่รู้ เขาไม่รู้ในปัญญาครั บ, รบเอางี้นะที่จริงนะอนุภาพของปัญญาที่อบรมมานี่นะครับมันไม่ได้ไม่ได้ซึมอย่างนั้นอะไรหรอกครับผมจากที่ที่ผมเทียบอุปมาเมื่อกี้นะครับสมมุตินะคำว่าวิญญาณเนี่ยนะครับมีอักษร อ, อยู่6อักษรด้วยกัน1นึ่วรวัวนสองสอกยอหญิง2ตัวสระอาลแล้วก็ น, นเนนนะทำไมเห็นแล้วอ่านแล้วเป็นวิญญาณเลยนะแล้วรับรู้เหมือนรับรู้มาพร้อมกันเลย อันนี้คนละสีนะครับนี่คนละสีนะแล้วปัญญาที่อบรมและ ช, ชนานาญเนี่ยนะต้องเก่งกว่าเห็นอันนี้อีกนะครับถ้าอบรมปัญญามานะครับเพราะคนบางคนเนี่ยพักเดียวเนี่ยนะครับนั่งคิดเรื่องไม่รู้ได้กี่ร้อยเรื่องในพรับเดียวเนี่ยนะครับแล้วธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับจริงอยู่ว่ารับรู้ได้ทีละอารมณ์แต่ว่ามันมันไม่ต้องไปนั่งโอ้แช่อยู่โอ้นี่ภาษานะแช่อยู่กับภาษาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เพราะว่าปัญญาที่เข้าไปวิเคราะห์ก็เหมือนกับการอ่านอ่านหนังสือนั่นแหละนะครับถ้าชำนาญแล้วเห็นปั๊บก็มองอย่างตลอดสายเลยนะครับเดีย๋ยวนะอันนี้พูดถึงคนที่ไข้ควร บ, บ่อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่จะไข้ควรอย่างนี้ได้ก็ต้องความเป็นพังหูสูตรนะครับความเป็นพหูสูตรนี่จะช่วยได้แต่ถ้าทรงจําอะไรไม่ได้เลยก็เอ๊ะผัสสะภัสสะไม่ใช่ไงว่าผัสสะมานั่งคิดแต่ถึงแต่คําเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะมันพิจารณาไม่ได้เพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะเนี่ยนะครับ ในชั้นต้นเลยนะทรงจําก่อนเมื่อทรงจําได้แล้วหมั่นสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงในชีวิตนะครับหมั่นสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงในชีวิตอะไรเป็นอะไรให้รู้ก่อนนะครับเหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ทั้งหลายหลยให้รู้ว่าอะไรแต่ละชิ้นะอะไรมันเป็นอะไรก่อนเรียนรู้ธรรมะแม้กระทั่งพระพิธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันพยายามหมั่นสงเคราะห์ว่าสภาวะธรรมเหล่าทีท่ว่าเนี่ยคืออะไรในร่างกาย ค่อยๆนึกคิดไปใค่ครวนไปไม่เพราะว่าวิปัสสนาเหล่านี้ไม่ได้ขับเน้นปัจจุบันอะไรครับวิปัสสนาแรกๆไม่ได้เน้นอะไรปัจจุบันหรอกครับเพราะว่าอารมณ์วิปัสสนานี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในด้วยภายนอกด้วยนะครับทั้งกามาวจรด้วยทั้งรูปาวจรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นอดีตก็ไม่น่าเป็นไรนะครับพิจารณาให้หมดนะครับมันต้องพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องมาเกี่ยงว่าโอ้โหต้องเป็นปัจจุบันอย่างเดียวนะครับ บางคนเนี่ยจะตามปัจจุบันให้ทันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับจะตามหมายจะทาให้ทันปัจจุบันเออทันแล้วมันจะเป็นอะไรเดี๋ยววิ่งแซงปัจจุบันและยุ่งเลยนะครับ